คุยกันเรื่องเล็กๆ ล, กลกน้อยในการเจริญสมถะกรรมฐานและมีปัสน า, ากรรมฐานในย่อพ่ออย่างยิ่งนักเจริญสมถะกรรมฐานนิปัสน า, ากรรมฐานเขาก็ถือเอาของทุกอย่างที่มีในโลกเป็นครูทั้งหมด <c oughs> เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต ท่านบอกแล้วว่าธรรมะที่เรานำมาสอนนี้ไม่ได้นำมาจากไหนธรรมะทุกอย่างมีอยู่ในโลกทั้งหมดแล้วองค์สมเด็จพระบรณฑิตแก้วสอนมาทุกหมุมแต่เราอาจจะไม่เข้าใจมไม่้มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งเวลานี้เสียงเพลงตามสถานีวิทยุต่างๆ จากเครื่องขยายเสียงต่างๆดังลอดปขะมาสู่โสตศาสตร์เป็นปกตินี่ถ้าเราจะเป็นคนลำคาญในเสียงเพลงเห็นว่าจะเป็นคนผิดปกติไปเพราะปกติชาวโลกเขาชอบกันอย่างนั้นแล้วเราก็จะทำยังไงเราจะ เ, าเสียงเพลงมาให้เป็นประโยชน์ใ น, ในด้านการจเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เติมความจริงเสียงเพลงคนดีเสียงขับรโองคนดีการดูมโหสพขคนดีย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงโมกตธรรมได้โดยง่ายดูตัวอย่างท่านพระโมคคันลาในภาษาลิบุตร <c oughs> ก่อนที่จะออกบวชท่านเองท่านก็ไปดูโมโหสุขตามปกติทุกคราที่ดูมโหสุข ก็มีความรื่นเริงให้รางวัลตามสมควรถ้าชอบใจเพราะในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเต่มาในวันสุดท้ายแปรกฎกระท่านทั้งสองนี้นั่งหน้าสนุกทั้งสองท่านคายความรื่นเริงบันเทิงใจพระโมคคัลลาจึงถามภาษาีบทวา่าจะหายวันนี้เพื่อนทำไมถึงไม่มีการดื่นเริง พระสารีบก็ถามบ้างเหมือนกันว่าท่านล่ะเป็ยังไงถึงไม่มีความด้วยเลยแต่สองท่านมีความเห็นตรงกันบอกว่าเราคนดีบุคคลผู้แสดงคนดีเลยคนทั้งหลายที่ ม, มาดูมโหรสพกตดีทั้งหมดนี้ไว้ยชาติแตกคนก็ต่างตาย <c oughs> ในเมื่อต่างคนต่างตายแล้วการดูมหรสบุตรมันก็ไม่มีประโยชน์ ในการที่เราเกิดมานี่มันก็มีแต่โทษไม่มีคุณเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดนี่มันจะมีประโยชน์อะไรนี่ก็อาศัยปัจจัยที่ท่านดูมโหรสกทั้งสองท่านเป็นคนที่มีบา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้วเคยปรักอธิษฐานตัวเป็นสาวกโคองอ์เป็นอาตมสาวกโคองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว จึงคิดในใจว่าในโลกนี้มีของมันมีคู่กันมันมีมืดแล้วก็มีสว่างมีเกิดแล้วก็มีตายไอ้ทมที่ให้เกิดและทำให้ตายมีอยู่ได้แต่ไอ้ทมที่ทำ บ, บุคคลไม่ให้ตายนี่มันต้องมีแต่สองคนในตัดสินใจแสวงหารมที่ไม่ตายคือโมกะธรรมควรมเรื่องนจากความตาย จึงเข้าไปหาท่านสันชัยปรีภาชกและกพบพระพุทธเจ้าในคานหลังนี่เรามาคุยกันถึงว่าการดูมหรศพมันมีประโยชน์ <c oughs> ดูไปดูอย่าดูเฉยดูแลก็ต้องคิดไปดูว่ามหระศพค น, สนแสดงคนดีคนดูคนดีมันตายดยกันหมดมหระศพที่เขาสแสดงแล้วมันก็แล้วกันไป ตัวใหม่ออกมาตัวเก่าเข้าไปแสดงไปแสดงมาแสดงมาแสดงไปในที่สุดเราต้องจบกันเลยมันก็เหมือนกับชีวิตของเราที่เกิดโผลกโโผล่โผล่โผล่โเกิดมนแร้ก็ตายตายแล้วก็เกิดย่ํากันไปย่ำกันมาในํานองนี้ในที่สุดเราก็จะพบการนัตตาคือการสลายตัวเมื่อมัน แสดงเข้าแสดงออกแสดงออกแสดงเข้าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็เก <c oughs> <c oughs> ิดมีแต pues nope ่ความทุกข์มีแต่ความลําบากใหญถ้าเราเกิดที่ไรมันไม่อยากตายสักทีแล้วมันก็ต้องตายเกิดมาทุกครั้งเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่เกิดมาทุกครั้งมันไม่อยากป่วยมันก็ต้องป่วยเกิดมาทุกครั้งไม่ต้องการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็ต้องกระทบ นี่นเป็นก็อะไรเป็นเะะเนสียงทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดินแดนที่เราเกิด <c oughs> ถ้าเรายังมีความเกิดอยู่สมบัติทั้งหลายเหล่านี้มันประจําอยู่ที่นั่นและก็หลีกเรี่ยวไม่ได้เหมือนกับคนที่เดินออกไปกลางแจ้งแดดจัดเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการถกแส้งอาทิตย์มันก็เป็นไปไม่ได้ เราเดินลงไปในพระมหาสมุทรที่มีน้าเต็มเตยมเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการเสียดนะ้ามันก็เป็นไปไม่ได้ข้อนี้ชั้นใดความเกิดขึ้นมาเราก็กระทบกับของที่ไม่จริงไม่จังที่เรียกว่าอนิจจังหาความเกียงไม่ได้ทุกขงังในสภาพเต็มเรื่องความทุกอนัตลัเต็มเรื่การสลายตัว <c oughs> นี่ว่ากันถึงว่าเราดูมหัศรสยตอนนี้เสียงดนตรีมเมื่อเราจะคิดกันไปทีว่าเสียงดนตรีนี่มันน่ารำคาญเหลอเกินมันสร้างแต่ความยุ่งมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันยั่วย้าวอยู่ตลอดเวลาเพลงบางเพลงก็ชวนให้เครียด เพลงบางเพลงก็ชวนให้เราลำคาญใจแล้วในเมื่อเพลงมันเป็นอย่างนี้เราติ๊กอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์นไหนๆเราเป็นจิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างในโลกที่นีอยู่มาเป็นธรรมะเพื่อปฏิบัติเอามาเป็นครูสอนเราแล้วก็เพลงมันจะสอนคนได้ยังไง แต่ความจริงเพลงสอนคนไม่ได้คนต้องสอนตัวเองเอาเพลงเข้ามาเป็นครูถ้าหากว่าเราหวังแค่เพลงเข้ามาเป็นครูด้านสมถะภาวนาล้าก็ฟังกันอย่างนี้ฟังเพลงที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามทีตั้งใจฟังมันจนจบ เอาจิตจับไปเสมอว่าเพลงนี้มีรีลาเป็นยังไงมีเสียงสูงมีเสียงต่ำมีเสียงเบสมีเสียงแหลมแล้วก็การดีดเีที่เป่าทุกจึงหวะการตีทุกครั้งเราจะไม่ยอมให้เสียงนี้ขาดไปจากหูเราจิตใจเราจะกำหนดไว้เสมอและนณะที่เขาบรรเลงเพลงจะไม่ยอมให้เสียงเพลงขาดจากหู ใจจะตามรู้เสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาและก็เวลานั้นเราจะไม่ยอมใช้อารมณ์อื่นเข้ามาคิดไม่ยอมใหอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกจิตจิตจะจับจูจเฉพาะเสียงเพลงอย่างเดียวถ้าจิตจับจูเฉพาะเสียงเพลงอย่างเดียว <c oughs> อย่างนี้จะเป็นสติ ือเป็นการวรวงรวมกำลังใจให้จับอยู่ ก, ะะกับกระแสเองกับกระแสของเพลงและเสียงของเพลงตอนนี้เมื่อการจับเสียงเพลงได้กันหลอดจบไม่ขาดสายก็แสดงว่าจิตของเราเป็นสมาธิตัวสติใช้ได้นี่มาถึงสัมปชัญญะต้องรู้ว่าเสียงเพลงที่ออกมาเป็นเสียงหนักหรือเสียงเบาเสียงทุ้มหรือเสียงแหลม ช่วงเจังหวะสั้นหรือยาวอย่างนี้เป็นสัมปชัญญะบ้างอารมณ์จิตให้มันตรงอยู่โดยเฉพาะเสียงเพลงการที่กล่าวมาอย่างนี้เป็นสมถะภ า, าวนาแต่นี้สมถะภ า, าวนามันจะมีต่อไปอีกเอาเสียงเพลงเป็นคููของเราต้องนึกว่าเสียงเพลงมันดังมาได้สามสถานด้วยกันคือหนึ่งเคาะ สองสีสามเป่า <c oughs> หรือว่ามันจะมาจากทางไหนได้อีกก็ต่างใจส่วนใหญ่ๆเสียงเพลงจะมีกันได้ก็จากเสียงขคอแล้วก็เสียดสีแล้วก็เป่าเด่นลมนี่เสียงเพลงที่ดังเจ้ยแจ้วมาไม่ขาดสายแล้วก็ต้องคิดว่านี่เขาเคาะทีเดียว เขาสีครั้งเดียวเขาเป่าครั้งเดียวหรื อ, อยังไงแต่เนื้อแท้จริงๆไอการเคาะครั้งเดียวสีครั้งเดียวเป่าครั้งเดียวเป่าแล้วเสียงก็หายไปสีครั้งหนึ่งเสียงก็หายไปเคาะทีหนึ่งเสียงก็หายไปมีเสียงที่มันดังอยู่นานก็เพราะว่าเขาเคาะไม่ขาดมือเคาะแล้วยกมาแล้วก็เคาะต่อ สีไปสีมาไม่ขาดสายเป่าเสมอไปในหยุดยั้งเสียงเพลงจะงได้กรากดตลอดการตลอดสมัยจงกว่าจะจบเร็วทีนี้แล้วก็เสอาเสียงเพลงนี่เข้ามาคิดนี่สมมติว่าแอกข้อเข้าสีแล้วก็เป่าค้างเดียวมันไม่เป่าต่อไปไม่สีต่อไปไม่ขอต่อไปเสียงเพลงจะมีต่อไปได้ไหมล้วก็จะเห็นชัดว่ามันมีไม่ได้ ทำไมถึงว่าไม่ ไ, มได้ก็เพราะว่ามันขาดสายไปซะแล้วเสียงเก่าหายไปเสียงใหม่ไม่ปรากฏมันก็หมดกันเสียงมันก็ไม่มีเสียงตอนนี้เราก็มาเทียบกับร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในสุด ตอนนี้เรามาพูดกันในด้านสมถภาวนาว่าเกิดแลด้วก็ตาย้กายเกิดจากคันมารดาที่อยู่ในคันมารดาเมื่อวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิใหม่ๆหรือว่าจิตเข้ามาปฏิสนธิใหม่ๆมันก็ต้องอาศัยกายที่ยังไม่เป็นกายไม่เป็นรูปเป็นร่างเลือดเรื่นจับก้อน น, น้อยๆ <c oughs> จิตเริ่มเข้ามาอาศัย ต่อามาเมื่อร่างกายจะปรากฏจิตจะมีที่อาศัยอยู่ยกลอดกาลตลอดสมัยแล้วก็าอาหารที่มารดาบริโภคเข้าไว้รอเลี้ยงร่างกายจากเล็กมาถึงใหญ่ถึงท่านเกิดตุ่มเป็นสายขาขึ้นมาแล้วก็มีอาการสามอีกสองครอบปูนใ น, นที่สุดจะเคลื่อนออกมาจากคันมารดาที่ร่างกายสมบูรณ์ที่เป็นได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะอาหารหล่อเลี้ยงทอไว้ อาหารหล่อเลี้ยงเป็นสันตติคือเพื่อการสืบต่อกันเรื่อยไปเมื่ออยู่ในคันมารดาได้อาศัยมารดาบริโภคอาหารอาหารเก่าวพอจะหมดไปอาหารใหม่มารดาก็กินเข้าไปใหม่มันก็เป็นหลอดเลี้ยงใหม่หากว่าอหารของมารดาไม่หล่อเลี้ยงตลอดไปมันก็ตายนี่ชีวิตที่ออกจากคันมารดาก็เหมือนกันเป็นคนแล้วแต่ทั่า ยังเอาเดีอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนก็เป็นแล้วร่างกายอาการฐาที่สองก็เป็นหมดแล้วแต่ถ้าว่าถ้าเขาจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องใช้อาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ว่าลิงกันล า, าอาหารอาหารคือทำข้าวอาหารที่เราลรุงขึ้นมาไปนี่เป็นอาหารอย่างเลยที่ทำให้ร่างกายส่งตัว ผัสสาหารอาหารคือผัสสะได้จะลมและใจเขาออกมนโนสัจเจตอาหารอาหารคือความปรารถนาของใจอย่างนี้เป็นต้นจริงอาหารด้วยหลายเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงกาลังกายเอาไว้แตอาหารนี่ที่เให้กินเข้าไปในระยะแรกแล้วเขาไม่ให้ต่อไปเมื่อกําลังเอาหารเก่าวหมดไปร่างกายจะปะตาย เีไ่ไปนั่งเปรียบเทียบกับเสียงดนตรีมันก็มีสภาพเหมือนกันเสียงดนตรีที่เขาข้าเคาะแล้วเ้าไม่เคาะใหม่เสียงก็ขาดไปเหมือนกับชีวิตของเราที่ขาดอาหารอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ไม่มาเราก็ตายมีเอาเสียงดนตรีเป็นครูในการเจริญสมถภาวนาแล้วก็ฟังเสียงดนตรีันต่อไปว่ามันมีสภาพเที่ยงไห เสียงดนตรีนี่มันก็มีสภาพไม่เกี่ยงเป็นอนิจจังเหมือนกันเพราะเพลงก็ต้องการฟังเสียงกาลังไพเราะประสิทธิ์ดีเมื่อดีไปบางแจียงะบะบางตอนก็เพนั้นก็อาจเส้นที่ไม่ชอบใจก็ได้เทีเพลงเบียงเพล ง, งเดียวกันคนบรรเลงคนเดียวกันดีสีตีเปล่าวิเคราะห์ให้เราชอบใจได้ในการบางครั้งบางคราวบางคราวเราก็ไปชอบใจในลีลานั้น <c oughs> ถอานี่พ่ออะไรเพราะเะป็นอณิจักรของเสียงเปยมันไม่เที่ยงว่าคนที่บันเลงนะไม่เที่ยงแล้วหูคนฟังก็เป็นหูที่ไม่เที่ยงจิตคนฟังก็เป็นจิตที่ไม่เที่ยงพ่ออะไรถึงว่าอย่างนั้นคนบันเลงพ่ออาจจะอ่อนไปความไหวของมืออาจจะไม่สม่ำสเสมอกันความไพเราะเพราะเพ่งมันก็ขาดไปย่อย่อนลงไป นี่เครื่งดนตรีที่เราใช้มันก็รู้จักเกา่ามันก็รู้จักเสี่อมมันก็รู้จักโศงเนี่ออารมณ์ของบุคคลฟังก็ไม่แน่นักวันนี้อาจจะชอบฟังเพลงเสียงวันหวานโหยหวนไทเราะบางขณะอาจจะต้องการฟังเพลงที่เราใจธรจะใจ ค, ค, ค, คือคลัดคือพึกโคลงตึงฟังคงครับ นี่เป็นอันว่าเสียงแพลงมันก็ไม่เที่ยงคนมันเลงก็ไม่เที่ยงแม้คนฟังมันก็ไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นขึ้นมันเป็นสุขจะมันเป็นทุกข์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าจําจะต้องทนขอที่เราจําจะต้องทนฟังจําจะต้องทนทำ จำจะต้องผนคิดนี่มันเป็นอาการของความทุกข์ <c oughs> แล้วทำไมมันถึงทุกข์ล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันจึงทุกข์เรลงเป็นคลจำเสียงไว้ก็เพลงเป็นโคล เ, เรามีความทุกข์เพราะเสียงเพงมันไม่เที่ยงแต่ความจริงเสียงเสงมันเที่ยงแต่ว่าคนสดิจีตี่เป่ามันไม่เที่ยง ในบางทีคนดิดสีตีดเปล่ากําลังเขายังดีลีลา ย, ยังปกติแต่ว่าเครื่องบรรเลงเครื่องบรดนตรีมันไม่เที่ยงบางทีเครื่องดนตรีมันก็ยังเที่ยงอยู่การเด็ดติดสีตีดเปล่าก็ยังคงตัวคนบรรเลงก็ยังมีกําลังร่างกายมีความไหวพอสมควรตามเดิมแต่หูคนฟังใจคนฟังมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเคยชอบเพลงนี้คราวนี้ไม่ชอบเป็นแล้วต้องการเพลีนน่ยนโน แล้ก็ไปนั่งนึกดูว่าไอ้เพงทั้งหลายเนี่ยเรื่องการดิดซีดีเปล่าคอแต่และบุคคลมันทรงก็อยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมไม่ไดะทรงได้ยังไงนักบดนตรีแปรจําโลกแต่ลโลกเกิดมานักดนตรีก็ติดมากับโลกเสมอนักดนตรีตายไปแล้วนับไม่ถวนนี่เป็นอนัตตาเลยแล้วบังคับไม่ได้ ราการนี้สองเครื่องดนตรีสาหรับบรรเลงตั้งแต่ตั้งโลกมาถึงปัจจุบันเครื่องดนตรีที่พังไปทันหลายไปนี่นับไปทวนไม่มาเข้าสภาพอนาตตาเ <c oughs> ย้าของจะปรับปรุงจะซ่อมแซมเป็นรายการใดก็ตามทีเครื่องดนตรีก็ไม่สวงตัวและก็คนฟังเสียงดนตรีละ่ะฟังกี่คนฟังเท่าไรตายหมดเท่านั้น มันก็เป็นอนัตตามีการฟังเสียงดนตรีถ้าฟังเส็นแล้วก็เป็นพระอาหารหันได้ถ้าจะถามว่าคนพูดเนะี่ยเคยใช้เสียงดนตรีเป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือเปลาความจริงพระพุทธเจ้าท่านสรงห้ามวาททศแล้วก็จะอ้างอิงตัวเองเป็นสาคัญ แต่ว่าเรื่องนี้เราพูดกันตามหลักของความเป็นจริง <c oughs> ว่าต้องขอบอกว่าใช้มามากพ <c oughs> ยายามปกติเป็นคนชอบเล่นดนตรีแต่ว่าเป็นดนตรีไทยเดิมเรื่องดนตรีนี่เสียงเียงอะไรก็ตามใครก็จะมาเลงกันที่ไหนเป็นนักขโมยเพลงจริงที่สุด <c oughs> <c oughs> เียงเพลงพื้นพื้นธรรมดาธรรมดาฟังจบเดียวก็เอาไปกินเลยนี่นักขโมยเพลงเพลงตับยาวๆเช่นตับน้ ก, กรบาตร ม, มากเป็นนางลอยอย่างนี้ถ้าใครบรรเลงให้ฟังเพียงสองครั้งเอาไปกินหมดทั้งเนื้อเพลงและบทร้องไม่เหลือแล้วดีเมื่อดีก็ชอบแต่งต่อเติม ฟังแบบฟับงเผาคิดไปเสมอ <c oughs> ไม่ตอนนี้คนก็ทําแบบนี้ตอนนั่งคนก็ทําแบบนั้นมันดีไม่พอหรือบางทีมันก็ดีเหมือนกันเวลาที่เราจะไปชันกับเขาถ้ามันเหมือนเขาเราก็เอาชนะเขา ไ, ได้แล้วก็ต่อเนื่นโน่นเติมนี่สนิทหน่อยของเก่าก็ทําไม่ดีแล้วคนเริ่มต้นสร้างใหม่เนื่อยแย่แต่เรามาแก้ไขเปลีแปลงเดนยน้อย สบายเราก็มีอารมณ์สบายในเมื่อเรามีอารณ์สบายก็อะไรเพราะเราเขามาใช้แลนนี่พอเข้ามาบทในพระพุทธศาสนาฟังเสียงเพลงมันก็ติดใจแต่ฟังมาฟังไปมาเทียบเทียงกับชีวิต ไม่เพองที่จะเคาะขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วก็เคาะต่อไปมันก็เหมือนกับการเกิดข้อเราแล้วก็มีชีวิตเดินตายต้ามาตามลำดับในที่สุดเพลงเขาบรรเลงจบชีวิตแล้วก็จบไหมกับเสียงเพลงนีการตังเพลงไทยจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดชายสมาบัติไม่เคยหาจริงกับเสียงเพลงมันแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงเบอร์คมศพที่ชอบฟังมากเดี๋ยวนี้ก็ยังชอบฟังพอฟังเสีย ง, งเปลงเบอร์คมศบทีไรก็คิดว่าตัวเราตายไปแล้วเวลานี้ปีผ้าตรงใหญ่เค <c oughs> ื่องมอกําลังเบอร์คมศพของเราใหญ่นก็มีความรู้สึกสบายคิดเมื่อเวลานี้เราตายไปจากโลกนี้แล้วปีผ้ากําลังเบอร์โคมศพเราเลือกเสียงภาพเวลาตาย เราก็เล็กถึงเสียงเพลงที่เขาบรนเลงมันโหยโ ห, โ ห, โหยนยนใสแสดงสั ญ, ญลักษณ์ของความตายและเราก็านั่งนจัวถ้าเราจะเกิดไปฟังเสียงเพลงแบบนี้ต่อไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างัญหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขเนือเมื่อมันไม่สุขมันเต็มไปได้วยความทุกข์ เราก็หาทางเลิกเกิดมาเสียเรื่องที่เขาบันเรงแล้วคนเลิลเเลกบันเลงไปชั้นใยแล้วผู้บันเรงไม่กลับมาบรนเลงใหม่คือตายไปจากโลกนี้นีืว่าเครื่องเขาเดนตรีที่สาหรับบันเรงมันพังไปเราก็ตั้งใจให้มีสภาพแบบนั้นเกิดมาแล้วมันติดทุกข์เสียงเพลงหายไปเสียงเพลงก็มีความสุข เพื่อนดนตรีที่สลายตัวไปแล้วเพื่อนดนตรีนั่นก็มีความสุขเพราะไม่ถูกใครเขาเสกเขาสับอีกคนที่บรรเลงเพลงดนตรีดนตรีต่างๆเสียงเพลงต่างๆเขาตายไปแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้ใบรรเลงอีกหมดจากความเหนื่อยการบรรเลงเพลงให้คนฟังต้องเป็นที่ชอบใจของคนฟังบ้างไม่ชอบใจบ้างเขาชอบใจเขาก็สรรเสริเขาไม่ชอบใจเขาก็ลิปตา นี่มาชีวิตของเรากเหมือนกันเมื่อเสียงเพลงหายไปกิดเพื่อการบรรเรงไม่มีอีกเลงก็มีความสุขคนบรรเรงเพยงตายไปแล้วก็ไม่มีใครเขาใช้เราชีวิตของเรานี้ถ้าเราตายแล้วเราจะเกิดใหม่เราก็ต้องผูกอิเลยกันเท้าปลาทานอภิุจนกรกรรมใช้ลรต่อไปเราก็มาเลิก ให้กินเด็ดตันหาวกว่าทานแล้วคุณสนกรรมมันใช่ก็ดีกว่าโดยน้อมนำมาการแสเพลงที่ฟังมาว่าเสียงเพลงไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นมันขึ้นไปหาใกล้จบเพลงในระหว่างกลางแล้วใ น, นที่สุดเพลงก็จบชีวิตก็งเราก็มีสภาพเหมืนกัน ในเมื่อมันมีความความความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมสทรมไปในท้องกลางแล้วก็มีการแตกสลายไปในที่สุดมันก็พังแา่ว่าร่างกายของเราถ้าพังเพราใจมันยังตอกมันก็ยังไม่เถึงที่สุดของเสียงเพลงก็จะเหมือนกับแพนงที่เขามาเลงจบแล้วแต่ถึงเวลาเขาก็มนเลงใหม่เสียงมันก็ไม่ขาดสายเราจะทำยังไงเราจรึงจะทําเหมือน เ, ออเสมือนกับหนึ่งว่า เสียงเพลงที่เขาบรรเลงแล้วขาดหายไปและไม่มีใครกลับมาบรรเลงอีกคือใครเข้าทั้งเกิดจบจบคือคนบรรเลงเปลนตายเครื่องดนตรีท่างหลายถัเสียงเพลงมันก็ไม่ได้ขดทํำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนักผีพระธรรมธรรสั่งสอยพระองค์ทำเด็กพระบรมาสุคต์คือพิจารณาในสโยคศิษเป็นสมุทฐาน ไม่เป็นไปจำใจแล้วก็กำหนดเวลาเขไว้ว่าทังโยคสิบรายการนี้ข้อไหนมีผลเป็นไปาการใดเมื่อไารจายยะถึงปัจจัยที่รเราทำเราทำให้เราไม่เกิดเมื่อถึงจุดจบอะไรเมื่อนั้นความสบายใจก็ยังแปลกอะระบรรดาตาาโมโของตุงเงมเลพโรมะโสุคตเรื่องใช้เพลงเป็นสมถะละวิปัสนา ก็ขอแสดงให้รับฟังไม่ได้เพียงยอยอดพอได้ความในตอนนี้หากว่าท่านใช้ปัญญาเพียงเชื่อสิเจนนณาให้ดีงแล้วเรงจะเป็นปัใจจัยท่านหลายเ ข, าเข้าถึงยงสระณิพพานได้โดยไม่ยากสวัสดี